พระธรรมตามพระใจปีดกครั้งที่เก้าสิบสี่คนเนี่ยหลบกันเป็นแถบๆไปหมดอ่ะเขาเป็นคนหยาบช้ามากก็ใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยนะไม่เคยมีใครแนะนำสั่งสอนบาป บ, บุญคุณโทษอะไรทักอย่างก็ใช้ตัวแบบสบายๆเลยอ่ะหัธิีปาลักุมารก็ครองอายุอยู่จนได้สิบหกปีกนลังหนุ่มเลยพระราชาพรามปุโรหิตเห็นสรีระสมบัติก็เลยคีดกันว่าปรึกษากัน เออลูกทั้งสี่ของเราก็เติบโตแล้วเป็นสมัยที่จะยกสเวตฉัดให้ครอบครองราชสมบัติควรเราจะจัดการกับกุมารเหล่านั้นอย่างไรดี <c oughs> คิดต่อไป <c oughs> ก็เลยเออกุมาร น, นิดนับตั้งแต่ได้รับอภิสิทแล้วสงสัยคงจะอยากช้าสาหัสยิ่งกว่านี้อีกแม่ทุกวันนี้นิสัยใช้ไม่ได้เลยถ้าหากว่าให้ครองบ้านครองเมืองครองแผ่นดินเนี่ยบ้านเมืองบรรลัยแน่ร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมือง ถ้าบรรพชิตทั้งหลายจักมาจากที่ต่างๆในเวลานี้กุมารเห็นเข้าก็จะพากันบวชได้อีกเอาไงดีเนี่ยทุกของพ่อแม่กับทุกเรื่องลูกะนะไอ้สมัยยังไม่มีลูกแ ม, ม้เมื่อไรจะได้ลูกก็เพีงมีลูกเข้ามาก็กลุ้มเรื่องลูกอีกละอันเวลาที่กุมานี้บวชแล้วชาวชนบทก็จะรวนเรอีกเราทั้งสองก็จะทดลองดูก่อนจะทดลองดูเอ้นิสัยเขาจะเป็นยังไงกันแน่ก็พอลองรู้นิสัยแล้วก็จะอภิเสกกุมา น, นี้ในภายหลัง จะให้ครองบ้านครองเมืองแต่ก็ลองดูใจซะหน่อยเพราะฉะนั้นทั้งสองคนก็เลยแปลงเพศเป็นฤาษีนักบวชปลอมฤาษีปลอมก็เที่ยวพิขาจารถือกะลาอันหนึ่งถือแบบบริขารแบบนักบวชทั้งหมดไปถึงประตูบ้านของหัตถิปารกุมารหัตถิปารั ก, กุม า, นารกกมา น, นี่เห็นบนรรพชิตจำแรงเหล่านั้นแล้วก็ดีใจอู้เลื่อมใสถวายนะ้มัสการกล่าวว่าเห็นแล้วนะปกติเขาเป็นนิสัยเลวมากเลยเพอเห็นนัก บ, บวชเท่านั้นแหละ โอ้นานทีเดียวข้าพเจ้าเพิ่งเห็นพผู้มีผิวพรรณเหมือนเทพพยะเจ้าโ อ, โอ้นานจริงๆเลยกว่าจะได้เห็นนะคนบางคนนี่มีศรัทธานะเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้พบเห็นคนดีอะลยก็เลยไม่รู้จะปฏิบัติตัวอย่างไรพอเห็นเขาก็เลื่อมสายวมุ่นชดาใหญ่ทรงวายเส้นหาพรผูทร้ทรมานกิเลสเหมือนปลวกตมผู้ย้อมด้วยเสียงเปล่านะขอนอบน้อมท่านเหมือนนันเด้อ นานหนักหนาข้าพเจ้าเพิ่งได้เห็นพระฤาษีผู้ยินดีในคุณธรรมอ้ยเพิ่งเห็นคนที่มีความเพียบพร้อมงามทางกายงามทางวาจา ง, งามทางใจนุ่งห่มผ้ายอมน้ำฝาดครองผ้ากรองบอกปิดโดยรอบขอท่านผู้เจริญจงรับอาสนะรับน้ำผ้าเช็ดเท้าน้ำมันทาเท้าของ ข, องข้าพเจ้าเถอะโอ้ น, นี่มลขึ้นไปฉั้นเลยแล้วข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านด้วยสิ่งของมีค่ามากได้กรุณารับของมีค่าของข้าพเจ้าเถอะ โอ้เลื่อมสายหัตถิปาลกุมางก็เชิญรือศีทั้งสองเหล่านั้นนะ่ะเป็นรายรูปต่างวาระกันลำดับนั้นพรามณ์ปุโรหิตแปลงก็แกล้งถามว่าแน่พ่อหัตถิปาละเจ้าเนี่ยคิดว่าเราทั้งสองเนี่ยเป็นใครกันแน่ก็เลยกล่าวว่าหัตถิปาระก็บอกข้าพระเจ้าสําคัญว่าพวกท่านเป็นรือศีที่อยู่หิมม awan ตรประเทศปุโรหิตแปลงก็เลยบอกชี้แจงว่าขอคุณเราไม่ใช่พา ร, รือศรีเราคือราชาเอกุสารี เราเป็นราชาเราเป็น ก, กษัตริย์ปกครองบ้านเมืองนี้และเราคือปุโรหิตผู้เป็นบิดาของเจ้าหัตถีปารกุมารก็ถามว่าเออเมื่อเป็นเช่นนั้นพเพราะเฮไรพ่อกับพระราชาจึงปลอมเพศเป็นฤาษีมาปุโรหิตก็บอกว่าเพื่อจะทดลองเจ้าดูทดลองดูหน่อยว่างั้นถามว่าเอา้าทดลองข้าพระเจ้าทําไมอ่ะพรามณปุโรหิตก็ทดลองดูว่าเจ้าเห็นเราแปลงเป็นฤาษีแล้วมิได้บวชไซ้ เมื่อเช่นนั้นเราก็จะมาเพื่ออภิเศษเจ้าให้สเสวยราชสมบัติถ้าเห็นแล้วไม่คิดบวชนะจะให้ปกครองบ้านเมืองหัทธีปาลักุมารก็กล่าวว่าข้าแด่พ่อข้าพระเจ้าไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัติข้าพระเจ้าจากบวชจะยกบ้านยกเมืองให้อยากขอบวชใช่นะคล้ายๆกับสมัยนี้มีพ่อแม่หลายคนเหมือนกันนะพ่อแม่ก็อยากให้ลูกเรียนไอ้ลูกก็อยากบวชเนี่ยทํำยังไงอะ พ่อก็จะไปเรื่องของพ่อลูกก็จะไปเรื่องของลูกต่างคนก็ต่างกลุ่มอกกลุ่มใจกันน่าดูเลยนะทีนี้พระรามปุโรหิตผู้เป็นบิดาก็ชี้แจงกับหัตถิปาระกุมารว่าเออหัตถิปาละลูกละเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะบวชนะแล้วก็เลยพร่ำสอนลูกตามอัธยาศัยของพ่อว่าหัตถิปาลลูกละเจ้าจงเรียนวิชาสแสวงหาทรัพย์ จงปลูกฝังลูกปลูกฝังลูกชายลูกสาวบุตรธิดาให้ดํารงอยู่ในการครองเรือนเสีกอนแล้วจงบริโภคกลิ่นรสและวัตถุกรรมทั้งปวงกิจที่จะอยู่ป่าเมื่อเวลาแก่สําเร็จประโยชน์เอออยู่ดูแลบ้านดูลแลเมืองมีลูกมีหลานอยู่กินกับลูกกับหลานก่อนหาความสุขสําราญอายุมากๆนั่นแหละค่อยบวชเหมือนกันบวชตอนแก่นั่นแหละจึงจะสําเร็จประโยชน์เขว่ากั้น มุนีใดบวชในการเช่นนี้มุนีนั้นพระอริยเจ้าสารเสวนอ้างพระพุทธเจ้าด้วยนะเออถ้าอยู่ครองบ้านครองเมืองจนอายุแก่ๆแล้วแก่ๆค่อยออกบวชนะพระพุทธเจ้าก็ยังยกย่องเลยว่าไงอ้างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นไหมพระพุทธเจ้าบอกโอ้ยบวชตอนแก่จะไปทําอะไรได้บางแก่เกินไปพระองค์ห้ามไม่ให้บวชอีกไปอ้างพระพุทธเจ้าสุ่มไม่ได้ฮาธิปาลกุมารก็เลยกล่าวกับพ่อว่าวิชาเป็นของไม่จริง ไอความรู้ในโลกเป็นของไม่จริงลาบคือทรัพย์ก็เป็นของไม่จริงใครๆจะห้ามชาราด้วยลาบคือบุตรไม่ได้เลยเออมีลูกแล้วไม่แก่ใช่ไหมพอ่อทาได้ไหมมีลูกแก่ไหมมันก็แก่เหมือนเดิมนั่นแหละอันสัตว์บุรุษทั้งหลายปล่อยให้วางกลิ่นคันพารลมระสารมเสียความอุบัติแห่งผลย่อมมีได้เพราะกรรมของตนเพราะฉะนั้นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นสกรรมุนาา สก ร, รมมุนาแปลว่าเป็นไปตามกรรมของตนความบังเกิดแห่งผลคือความเผลดแห่งผลย่อมเกิดแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะกรรมอันตนทำไว้ฆ่าแต่บิดาเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนใช่ไหมคนทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนะพ่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยคำว่าวิชาเป็นของไม่จริงลาบพวกนี้เป็นของไม่จริงเนี่ยนะคาว่าไม่จริงนี่หมายความว่า ไม่สามารถที่จะห้ามความแก่ไว้ได้ไม่สามารถที่จะห้ามความเจ็บไว้ได้ไม่สามารถที่จะห้ามความตายเอาไว้ได้และอีกอย่างหนึ่งผมก็ไปตามกรรมของผมผมจะดีผมจะชั่วก็เป็นไปตามกรรมของผมถ้าหาว่าผมมัวแต่ไปเป็นอย่างนั้นเอกผมจะไปสู่ภพไหนเนี่ยว่างั้นชาติน่าจะไปเป็นอย่างไรพระราชาฟังคําของกุมารแล้วก็บอกเออคําที่เจ้าว่าความอุบัติแห่งผลย่อมมีเพราะกรรมของตอนนี้เป็นคําจริงแท้แน่นอนเออใช่ใช่ใ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนถูกแล้วอันหนึ่งบิดามารดาของท่านแก่เท่าหวังเห็นท่านมีอายุยืนร้อยปีไม่มีโรคพ่อแม่อยากเห็นลูกมีอายุยืนร้อยปีแปลว่าอะไรรู้ไหมพ่ออยากเห็นลูกมีอายุตอนร้อยปีเนี่ยพ่อจะกี่ปีดีสมมุติถ้าตอนนั้นพ่อมีอายุสี่สิบใช่ไหมลูกมีอายุสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยเสร็จแล้วอยากเห็นลูกอายุร้อยปีพ่อก็ร้อยกว่ า, น, นะานั่นแหละร้อยสามสี่สิบนั่นแหละ ตอนก็บอกว่าพ่อเนี่ยอยากเห็นลูกมีอายุยืนร้อยปีแบบนั้นพระราชาก็บอกว่ามารดาบิดาของเจ้านั้นประสงค์จะเห็นเจ้ามีอายุยืนร้อยปีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเมื่อเจ้ามีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีจกได้เลี้ยงดูมารดาบิดาบ้างผอแม่กังวงกลัวไม่มีคนเลี้ยงดูนะยามแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้แบบนั้นยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษา ยามแก่ตายวายชีวาก็หวังให้ลูกยามมาปิดตาคราสิ้นใจที่ก็ไม่สมหวงังหรอกที่ได้มีหวังที่นั่นก็ทุกมากหวังมากประทุกมากหวังเรื่องลูกประทึกเรื่องลูกนั่นแหละแล้วลทําไงอ่ะก็ทําไปตามหน้าที่พ่อที่ดีพึงปฏิบัติตอนลูกอย่างไรแม่ที่ดีพึงปฏิบัติตอนลูกอย่างไรก็ควรปฏิบัติตาม น, นั้นแหละไม่ใช่หวังไม่ได้ก็เลยเลิกเลี้ยงเลยปล่ยไปเออเองก็ไปของเองข้าก็ไปของข้ า, ขาไม่ใช่อย่างนั้นก็คือ วัฒนธรรมประเพณีที่จะแนะนำอบรมสัง่งสอนขัดเกลาตามคุณธรรมทั้งหลายจะพึงประพฤติอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นแลลวหากทปาลักุมาลฟังพระราชดำรัสก็กราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐเพราะเหตุไรพระองค์จึงตรัสเช่นนี้ทำไมพ่อเนี่ยวังไกลแล้วเกินแล้วกนหวังให้เห็นหน้าพ่อโอ้โหพ่ออยากหวังเห็นหน้าลูกอีกเป็นร้อยปีหงนะั้น ข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐกว่านรชนความเป็นสหายกับคนตายความไมตรีกับความแก่พึงมีแก่ผู้ใดหรือแม้ผู้ใดจะพึงรู้ว่าเราจักไม่ตายมารดาบิดาพึงเห็นผู้นั้นมีอายุร้อยปีไม่มีโรคเบียดเบียนได้ในบางคราวมันไม่ป่วยกว็ครั้งคราวเท่านั้นและใครเอาความตายมาเป็นเพื่อนนี่ไหมโห้กลัวตายยิ่งกว่ากลัวอะไรอีกนะ อาศตร์ทั้งหลายบอกว่านักโทษปหารชีวิตเนี่ยนะสมมติศาลสั่งประหารชีวิตปุ๊บเนี่ยเขา่าซุบเลยนะหวบลงไปตรงนั้นเลยก็บอกว่านักโทษบางคนเนี่ยพอจะถูกยิงเป้าอย่างงี้เนี่ยนะเขายังไม่ทันยิงเลยทางนี้เนี่ยอ่อนตะเวยรวยแรงหมดแรงหมดเลยแทบจะตายก่อนถูกกปืนนั่นแหละความเป็นสหายกับความตายเนี่ยไม่มีแก่ศัตร์ทั้งหลายบุรุษ เอาเรือมาจอดไว้ที่ท่านา้ํารับคนฝั่งนี้ส่งถึงฝั่งโน้นแล้วย้อนรับคนฝั่งโน้นพามาส่งถึงฝั่งนี้ฉันใดชาราและพญาทีก็ย่อมจะพาเอาสัตว์ไปสู่อำนาจแห่งมัจจุราชอยู่เนืองๆฉันนั้นแหละเป็นธรรมดาของสัตว์ทางร้ายเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกเราลืมแก่แต่แก่ก็ไม่ลืมเราเราลืมป่วยแต่ความป่วยไม่ลืมเราใช่ไหม มีขาเดียงก็เจ็บขามีเข่าก็เจ็บเข่ามีหลังก็เจ็บหลังมีบ่าก็เจ็บบ่ามีหัวก็ปวดหัวมีตาก็ปวดตานั่นแหละแต่ละอย่างก็จะมาเตือนเราเรื่อยๆความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ความยากความลําบากมันเป็นโทษของสังสารวัฏเมื่อมีชาติต้องมีชราเมื่อมีชราก็มีพยาธิมีโซกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญาตเป็นธรรมดาอันนี้เป็นทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ซึ่ง จะผ่านพ้นไปไม่ได้เออเมื่อความทุกเหล่านี้มีอยู่แล้วพึงปฏิบัติอย่างไรเออเกิดมากแก่แน่เจ็บแน่ตายแน่แล้วจะทํายังไงกับสิ่งเหล่านี้ดีพระพุทธเจ้าสอนให้สาวกรอบรู้ในความจริงของสิ่งเหล่านี้รอบรู้ให้ประจักษ์แจ้งถึงความจริงเข้าอาศัยความแก่ปฏิบัติทำเพื่อความไม่แก่ได้ไหมได้นะอาศัยความตายศึกษาพระธรรมคำสอนซึ่งเป็นไปเพื่อความไม่ตายก็ได้ ช่างมันเถอะกายนี้จะเปื่อยเน่ากายนี้เป็นที่อาศัยเกิดแห่งชราและมรณะเราก็อาศัยกายที่เปื่อยเน่ากายที่เป็นปัจจัยแห่งชาติชราพยาธิมรณะนี่แหละเอาร่างกายอันนี้มาเป็นเสเบียงมาเป็นทางเพื่อที่จะศึกษาคําสอนอันเป็นไปเพื่อความไม่ตายนิพพานนั้นเป็นธรรมะที่ไม่ตายดังนั้นผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะคนนั้นมีบารมีทันสั่งสมบุญกุศลไว้มากก็จะเป็น ไปเพื่อที่สุดแห่งชาติชาราและมรณะเพราะว่าไอ้ความตายเนี่ยไม่เป็นเพื่อนใครบอกโอ้ยฉันมีความตายเป็นเพื่อนมีมัจุราชเป็นเพื่อนไม่มีรอกแล้วก็ความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนความมีไมตรีกับชาราจะพึงมีแก่ผู้ใดอธิบายว่าชารากับมรณะนี้ไม่เคยเป็นเพื่อนกับผู้ใดเลยเพราะฉะนั้นนี้ใครจะไปให้สินบนเออเอาไปพันหนึ่งก่อนนะ เดี๋ยวอีกยี่สิบปีฉันค่อยแก่ไม่ได้ทำยังไงคุณก็ต้องแก่บอกเออเดี๋ยวผับวันประกันพุ่งหน่อยนะค่อยตายไม่ได้เพราะไม่มีใครเป็นเพื่อนกับเขาได้มันไม่มีใครกล้าไปสนิทสนมกับความแก่และความตายขอเดชะมหาราชเจ้าบุรุษจอดเรือไว้ที่ท่าน้ำแล้วให้คนที่จะข้ามไปฝั่งโน้นลงเรือถ้าเขาเอาผอยันหรือฉุดไปด้วยใจรักย่อมให้เรือ ว่นไว้ให้ติดต่อกันไปทีนั้นก็จะนำผู้นั้นไปสู่ฝั่งโน้นได้ชันใดชรามรณะและพยาธิก็นำสัตว์ไปสู่ความตายอันเป็นที่สุดของชีวิตเป็นนิตชั้นนั้นอั น, นปัจจัยแห่งความตายนี่มีมากมายความตายอาศัยอาศัยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตายท่าท่าสีกำเริบความตายก็จักพึงมีอาหารมีพิษอาหารวิบัติแปรปรวน ความตายก็จะพึงมีสภาพจิตที่สุดโทมเต็มที่ความตายก็จะพึงมีแก่สัตว์ทั้งหลายหาธีปาลกุมารก็แสดงชีวิตและสังขารแห่งสัตว์เหล่านั้นว่าเป็นของนิดหน่อยอย่างนี้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมามันนิดหน่อยชั่วครั้งชั่วครวเท่านั้นแหละขนาดว่าผมเพิ่งมาจากเทวดาไม่นานนี่เองไงไหมเอออายุสิหกปีแสดงว่าจากเทวดามากี่ปีแล้วจากเมืองทิพมันเมืองทิพที่ผ่านมาก็เหมือนกับความฝันใช่ไหม เหมือนกับฝันว่าเคยอยู่สวรรค์ชั้นดาวกระดึงสมมติท่านึกถึงความหลังโอ้ยชาติก่อนก่อนูน้นเคยเกิดเป็นเทวดาอย่างเงี้ยมัจะเอาอะไรกับความหลังใช่ไหมก็เหมือนกับฝันว่าเคยรวยอย่างเงี้ยจะเอาไป อ, าอะไรกับความฝันฮาธีปาลกุมารก็แสดงชีวิตและสังขารแห่งสัตว์เหล่านี้ว่าเป็นของน้อยเป็นของนิดหน่อยก็เลยถวายโอวาทแก่พระราชาว่าขอเดชะมหาราชเจ้า ขอพระองค์จงดำรงอยู่เป็นสุขเถอดชราพยาธิมรณะรุกรานเข้ามาใกล้ข่าพระพุทธเจ้าผู้กําลังสนทนาทูลอยู่กับพระองค์อยู่ทีเดียวพูดคุยกับพระองค์เนี่ยนะความแก่ความตายเนี่ยเล่นงานาพระพเจ้าอยู่นะพระเจ้าค่ะเอพูดอย่างนี้ว่า พ, พ่อกับพระราชาไม่ถูกความแก่เล่นงานกัน น, นะนะมันจะแก่อยู่ลูกคนเดียวหรือไงพ่อไม่แก่เรือไงก็บอกว่าไม่ต้องบอกว่าพ่อก็แก่เหมือนกันหรอก ผมเนี่ยแก่ปั๊บพ่อก็ต้องรู้ตัวเออไว้เราเกิดก่อนเขาเราก็ต้องแก่กเขาใช่ไหมก็จะได้สลดสังเวทใจสั บ, บ้างพระ อ, องค์อยาได้ทรงประมาท ม, มัวเมาแล้วก็ถวายบังคมบา ร, ราชากราบไหว้บิดาพาบริวารของตนทิ้งราชสมบัติในพระนครพาราสีออกไปด้วยหมายใจว่าเราจะบวชพ่อมาคุยเนี่ยไม่รู้อนุ ญ, ญาตหรือไม่ทันอนุ ญ, ญาตไม่รู้บอกไปแล้วนะพ่อนะบอกไว้ก่อนไม่ได้ยแล้ว คิดดูนะแรงอธิษฐานแรงตั้งใจสมาทานเอาไว้ตั้งแต่เป็นสุมเมธทดาบทเอาไว้เนี่ยไอแรงอธิษฐานที่อุปนิสัยที่ตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะต้องบวชอุปนิสัยอ น, นั้นเนี่ยทำให้เขามีความคิดแบบนั้นเอาไว้เพราะว่าธรรมชาติของจิตนี้เคยได้ยินนะขึ้นชื่อว่าจิตย่อมสะสมสันดาลสะสมอัธยาศัยโดยอุปนิสยปัจจัยใครที่มีความคิดอย่างไรอย่างไรไว้แต่ก่อนคนแนวความคิดอันนั้นก็จะมา มาเป็นปัจจัยกระตุ้นเตือนให้เหมือนเดิมให้คล้ายๆกันพอออกบวชมหาชนก็ไปพร้อมกับฮาิีปาลกุมารคิดว่าขึ้นเชื่อว่าการบวชนี้คงจะดีงดงามได้มีบริษัทติดตามไปประมาณหนึ่งยศโอ้คนบวชตามมากมายหาธีปาลากุมารก็ไปถึงฝั่งแม่น้ําคงคาพร้อมด้วยบริษัทนั้นไปถึงก็ยืนดูน้ําเพ่งน้ําในแม่น้ําคงคาเจริญกษินบริกรรมยังชานให้เกิด โอ้คนมีบุญจริงๆเนี่ยนะดูน้าพักเดียวเนี่ยได้ฌานเลยอะยืนดูน้นําำในน้ําคงคาได้ฌานเนี่ยนะก็เลยคิดว่าโอ้สมาคมของเราเนี่ยจะใหญ่น้องชายของเราก็จะบวชพอได้ฌานปุ๊บเนี่ยมีอนาคตังสยามเลยเราลึกต่อไปข้างหน้าน้องชายอีกสามคนก็จะบวชพ่อแม่ของเราก็จะบวชพระราชาก็จะบวชคนเหล่านั้นก็จะบวชกันหมดเมืองพารณาณสีจกว่างเปล่าเราจะอยู่ที่นี่แหละจนกว่าคนเหล่านั้นจะตามมา หัตถิบารั ก, กุมารก็นั่งโอวาทแก่มหาชนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ํำคงคาเนี่ยเองบวชไม่กี่วันได้ชา้าเลในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าเอสุการีกับพราหมณปุโรหิตคิดกันว่าเออเจ้าหัตถิบาร ก, กุมารสละราชสมบัติพามหาชนล่วงหน้าไปก่อนด้วยคิดว่าจะบวชอย่างนี้แล้วก็นั่งพักอยู่ที่แม่น้ํำคงคาเราทั้งสองต้องทดลองอัสศาปาร ก, กุมารดูเออไปทดลองเจ้ารองดูสิมันจะเป็นยังไงจากอภิเศกให้มันครองราชสมบัติ เอาไหมถ้าเป็นลูกคนที่สองโอพี่ชายออกบวชแล้วเสร็จเราแน่บ้านเมืองคนทั้งสองก็เลยไปยังประตูเรือนของอัสะปาลั ก, กุมารด้วยการจําแรงเพศเป็นฤาษีเหมือนกันฝ่ายอัสะปาล ก, กุมารเห็นแล้วก็มีใจเลื่อมใสเข้าไปใกล้แล้วก็กล่าวคําเป็นต้นว่าโอ้นานมาแล้วข้าพรเจ้าเพิ่งได้เห็นเพิ่งได้เห็นว่าโอ้หูนานจริงๆแลกว่าจะได้เห็นนักบวชเห็นฤาษีเห็นอะไร แล้วปฏิบัติตามในที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละฤาษีจำแรงก็เลยบอกอัสสะปาลักุมานอย่างที่กล่าวมาแล้วเหมือนกันก็เลยถแถลงเหตุที่มาให้ทราบว่าเออมาลองใจเจ้าดูถ้าหากว่าเจ้าไม่บวชจะยกบ้านยกเมืองให้เจ้าอัสสปาลักุมารก็ถามว่าเออเมื่อหัตถิปาลักุมานพี่ชายของข้าพเจ้ามีอยู่ยายเสเวติตฉัตจะมาถึงข้าพเจ้าก่อนเล่าอา้าวพี่มีอยู่ก่อนไม่ใช่หรือ บ้านเมืองก็ต้องถึงพี่ก่อนอามาถึงน้องก่อนได้อย่างไงมันผิดประเพณีมั้นบิดาก็เลยบอกว่าลูกรักพี่ชายของเจ้าพูดว่าไม่ต้องการราชสมบัติจากออกบวชออกไปบวชเสียแล้วอศาศะปาลก็เลยถามว่าเดี๋ยวนี้พี่ชายของพระเจ้าไปอยู่ที่ไหนบิดาก็บอกว่าพำนักอยู่ที่ฝั่งแม่น้าําคงคาอาศะปาลาก็บอกข้าแต่ท่านบิดาข้าพระเจ้าไม่มุ่งหมายราชสมบัติซึ่งอุปมาเหมือนก้อนเขละ เหมือนก้อนน้ำลายอันพี่ชายของข้าพเจ้าบ้วนทิ้งเอาไว้ให้ข้าพเจ้าแท้ที่จริงสัตว์ทั้งหลายผู้โง่เขลาเบาปัญญาย่อมไม่อาจจะละทิ้งกิเลสนั้นได้แต่ข้าพเจ้าจากละคนทั่วไปเขาละไม่ได้แต่ผมนี่แหละจะละพ่อเมื่อจะแสะดงธรรมแก่พระราชาและบิดาของตนก็กล่าวว่าตามทั้งหลายเป็นดังเปลือกตมเป็นเครื่องให้จมลงเป็นเครื่องนําน้ําใจสัตว์ไป ข้ามได้ยากเป็นที่ตั้งแห่งมรรตยูคือความตายสัตว์ทั้งหลายผู้คล่องอยู่ในกามเป็นหมือนเปลือกตมเป็นเครื่องให้จมลงนี้เป็นสัตว์มีจิตเลวทรามย่อมข้ามถึงฝั่งไม่ได้อันสัตว์ที่ทั่วไปก็จมอยู่ในห่วงน้ําคือกามะโอคะกามโยคะเหล่านี้นี่แหละไม่สามารถที่จะข้ามพ้นไปได้ เมื่อครั้งก่อนอัตภาพของข้าพระ อ, องค์นี้กระทํากรรมหยาบช้ายิ่งนะผลแห่งกรรมนั้นอันข้าพระ อ, องค์กระทายึดมั่นไปแล้วพ่อตอนที่ผมยังไม่ได้เห็นหน้าพ่อเนี่ยนะผมทําความชั่วไว้เยอะแยะใช่ไหมเกิดมาเนี่ยเป็นอันตรภานลยนะเรียกว่าแทบจะเป็นอันตรานของเมืองเลยพ่อเอ้ยผมเนี่ยทําบาปไว ม, มากมายแล้วผมเนี่ยจะพ้นไปจากผลแห่งกรรมนี้ไม่ได้เลยถ้าข้าพระ อ, องค์จะบปิดกัน้น อัตภาพนั้นอย่างรอบคอบขออัตภาพนี้อย่าได้ทํากรรมอัญหาบช้านี้อีกเลยพอเอ้ยที่ผ่านมาลูกไม่ได้บวชก่อกรรมชั่วหยาบช้าเอาไว้ยิ่งนักอันถ้าหากว่าประมาทล่วงเลยไปกรรมที่ผมทําไว้นี่มันให้ผลแน่เพราะนั้นถ้าหากว่ากรรมให้ผลแล้วเอาน้ําตาไปเก็บไว้ที่ไหนเนาะกรรมชั่วมีผลไหมมีผลเมื่อมีผลในที่ทําไำแล้วจะไปเก็บไว้ที่ไหน กรรมเหล่านี้ถ้าได้เหตุได้ปัจจัยพร้อมอาศัยกาลคติอุปธิประโยคะเข้าอกุศ ล, ลกรรมเหล่านี้จะให้ผลทันทีเขบาบอกว่ากรรมที่ทําชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นทิฏฐธรรมเวชนยกรรมในทิฏฐธรรมเวชนยกรรมนั้นน่ะทําในวัยเด็กจะให้ผลในวัยเด็กในวัยกลางคนและวัยปลายคนไปกรรมที่ทําในตอนกลางคนจะให้ตอนกลางคนและปลายคนถ้าทําตอนปลายก็จะให้ตอนปลายและตอนใกล้ตา ย, ตาย ถ้าหากว่าทําตอนใกล้ตายก็จะให้ผลในชาติต่อๆไ ป, ปเพราะฉะนั้นกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำํำไปแล้วนี่มากมายหนักหนาพ่อเอ้ยซึ่งอธิบายว่าอัตภาพของข้าพระพุทธเจ้านี้เจริญเติบโตมากับพวกนายควานมาได้กระทาบาปประกรรมอันหยาบช้าสาหัสเป็นอันมากด้วยสา ม, มารถแห่งการต้นแย่งชิงเบียดเบียนมาหาชนวนั้นขนองอะนะมนก็ไม่ได้อยากจนอะไรหรอกแต่มันชอบปล้นชอบเล่นสนุกตอนนั้น ใครก็ทําอะไรไม่ได้อาศัยอํานาจบาดใหญ่ทําบาวว่าเยอะแยะอาส ป, ปาละกุมารก็โอว่าต่อไปว่าขอพระองค์และท่านบิดาจงดํารงอยู่เป็นสุขเถิดความแก่ความเจ็บและความตายย่อมรุกรางข่าพระพุทธเจ้าผู้กําลังกล่าวสนทนากับท่านอยู่ทั้งสองนานทีเดียวูยิ่งคุยนานเนี่ยความแก่ยิ่งเข้ามาเรื่อยๆเลยนี่ใช่ไหมอะไรกลืนกินสาทั้งหลายการเวลากลืนกินพวกเราอยู่ตลอดเวลาลืมก็ช่างอะไรไม่นั่งเผลอแพลบเอาหมดเวลาแล้ว อันมันเวลาเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนันะ้นแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่แปลกนะคนที่ทำชั่วเยอะๆนะดูมันเหมือนชาจริงๆเลยนะขณะไหนที่กุศลจิตรเราเกิดบ่อยๆเข้าจะมองเห็นว่าอู้ชีวิตนี้ช่างเป็นของที่สั้นรวดเร็วเป็นของน้อยเป็นของนิดหน่อยซะจริงๆแล้วก็พาบริษัทมีโยตหนึ่งเป็นกําหนดออกไปยังสํานักของหัตถิปาลกุมาร ฮาธิปารกุมานก็นั่งอยู่บนอากาศแสดงธรรมแก่อาสะปารกุมานกล่าวว่าน้องรักสมาคมนี้จะยิ่งใหญ่เราจะอยู่ที่นี่ก่อนฝ่ายอาสะปารกุมารก็อยู่ที่นั้นวันรุ่งขึ้นพระราชากับปุโรหิตก็ไปสำนักของโคปารกุมารเข้าไปหาไอ้คนที่สามรูมจะเป็นยังไงมจะปกครองบ้านเมืองหรือจะออกบวชเนี่ยอุบายอย่างนั้นเหมือนกันแม้โคปารกุมารก็ยินดีต้อนรับพระราชาก็แจ้งเหตุที่มาให้ฟัง แม้โคปาลกุมารก็ปฏิเสธเหมือนอสสะปาลกุมารเอ้ยพ่อเอ้ยพี่หนึ่งพี่สองก็ไม่เอาเอาน้ำลายอันนั้นมาให้ผมอีกแล้วเหรอผมไม่เอาเหรอกแล้วก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเนี่ยปรารถนาจะบวชมานานแล้วเที่ยวใครครวรหาทางบวชเหมือนคนหาโคที่หายไปผมนี่หาทางออกบวชมานานแล้วพ่อแต่ผมยังไม่เห็นทางเหมือ น, นตอนนี้ผมเห็นทางแล้วเหมือนคนวัวหายใช่ไหมตามหาวัวมานานแล้วเออเห็นรอยวัวแล้ววัวไปทางไหน ถ้าคนที่เคยเลี้ยงวัวเนี่ยจะรู้หาวัววัวหายเนี่ยถ้าเห็นรอยโอ้ไปทางนี้เนี่ยจะได้ไปตามถูกเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นทางที่พี่ชายทั้งสองของข้าพเจ้าไปแล้วเหมือนคนพบรอยโคที่หายไปฉะนั้นข้าพเจ้าเองก็จะไปตามทางนั้นเหมือนกันแล้วก็บอกว่าขอเดชะพระราชาที่บดีบุรุษเลี้ยงโคไม่เห็นโคที่หายไปในป่า ท, ทึบมืดฉันใดขอเดชะขอพระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเอสุการี ประโยชน์ของข้าพระพุทธเจ้าก็หายไปฉนั้นอย่างไรเล่าข้าพระพุทธเจ้าจะไม่สแสวงหาต่อไปคือประโยชน์นี้ได้หายมานานแล้ววันนี้แหละเห็นแล้วประโยชน์ที่จะได้ไปประโยชน์อันนั้นก็คือการออกบวชครั้งนั้นพระราชาและพรามปุโรหิตก็พากันกล่าวอ้อนวอนโคปาละุมารว่าพ่อโคปาละรออีกวันสองวันเถิดพอให้เราทั้งสองเบาใจก่อนแล้วค่อยบวช โอ้ oh, อะไรลูกบวชวันละคนวันละคนนี่จะทําใจได้ยังไงลูกเอ้ยเดี๋ยวรออีกสองสาวันนะค่อยบวชนะอูพ่อเนี่ยชักกลุ่มแล้วเนี่ยคนหนึ่งก็บวชคนสองก็จะบวชคนสามก็จะบวชอีกแล้วให้พ่อสบายใจอีกหน่อยเถอะให้มันโล่งอกโล่งใจสักหน่อยค่อยบวชโคปาลกุมันก็บอกว่าขอเดชามหาราชเจ้ากรรมดีควรทําวันนี้ไม่ควรกล่าวพัดเพี้ยนว่าจะทําในวันพรุ่งนี้ขึ้นเชื่อว่ากรรมดีควรทําในวันนี้แหละ แล้วก็กล่าวต่อไปว่าบุรุษผู้กล่าวพัดเพี้ยนการงานที่ควรทําในวันนี้ว่าควรทําในวันพรุ่งนี้การงานที่ควรทําในวันพรุ่งนี้ว่าควรทําในวันต่อไปย่อมเสื่อมจากการงานนั้นทีรชนใดรู้ว่าสิ่งใดเป็นอนาคตสิ่งนั้นไม่มีแล้วพึงบรรเทาความพอใจที่เกิดขึ้นเสียอย่าไปคลอยอย่าไปคอยผลัดวันประกันพรุ่ง ควรทำความเพียรในวันนี้แหละบุญกุศลก็ควรทำในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งนั้นถ้าหากว่าชีวิตของเราซึ่งไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีอะไรรับรองรับประกันสักอย่างหนึ่งว่าเราจะตายเมื่อไรเมื่อเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับรองรับประกันแม้แต่อย่างเดียวเราควรจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรเราควรจะเดินทางอย่างไรเราควรจะไปไหนเราควรจะตั้งจิตตั้งใจเอาไว้อย่างไร อันชีวิตนี้ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายแล้วก็กล่าวกับพ่อว่าบุรุษไม่ควรที่จะพัดเพี้ยนโคปารักกุมารก็แสดงคำอย่างนี้แล้วก็กล่าวว่าขอท่านทั้งสองดำรงอยู่เป็นสุขเทอิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นคุกขามข้าพเจ้าผู้กำลังกล่าวสนทนาอยู่กับท่านทั้งสองทีเดียวแล้วก็พาบริวารโยดหนึ่งเป็นกาหนดไปยังสานักของพี่ชายโอูออกบวชอีกแล้วนะ ถ้าเป็นพ่อนี่จะทํายังไงนาะนะออกบวชคนเดียวกับกลุ่มจนนะถ้สองสามโอ้สามไปแล้วนี่จะทํายังไงยมถ้ามีลูกบวชสามคนนี่ว่าไงดีใจไหมถ้ามีลูกสามคนออกบวชสามคนนี่ว่าไงทําใจได้เปล่าลำบากกันนะแต่โยมพ่อจะมาทําใจได้เก่งกันบวชสี่เองโยมพ่อทําใจได้เลยนะลูกชายเนี่ยบวชสี่เลยอะ่ะคนที่หนึ่งบวชเอก็พอได้คนที่สองบวชคู่นี่ก็ยิ้มไม่ค่อยออกกันะ คนที่สี่บวชอีกเงียบเลยไม่รู้จะทำยังไงอา้าบวชก็บวชอะแล้วลูกจะบวชอะไรจะไปทำยังไงกับลูกริงของธรรมานี่น้องบวชอีกสามรวมกับตัวเองเป็นสี่้ยพอดีเลยถ้าบวชท่าหมดเนี่ยนั้นะลงปาติโมกได้เลยสี่คนทีนี้วันรุ่งขึ้นประราชาและพรามปุโรหิตก็ไปในเวทของอาชะปารักุมานคือไปหาน้องคนเล็กสุด อุบายอย่างนั้นอาชาปาลกุมารก็ยินดีต้อนรับดังกล่าวแล้วท่านทั้งสองก็บอกเหตุที่ตนมาให้ทราบเล่าความเป็นไปทห้นั้นว่าเราทั้งสองเนี่ยมามอบเวตฉัตรให้เจ้าเมืองนั้นโอ้มายกบ้านยกเมืองให้อาชาปาลกุมารก็ถามเออพี่ชายสามคนของข้าพเจ้าไปไหนพระรามปุโรหิตก็บอกว่าพี่ชายของเจ้าทั้งสามคนนั้นน่ะกล่าวว่าไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัติทิ้งสเวตฉัตรเอาไว้ แล้วพาบริวารมีสามโยตเป็นกำหนดออกไปบวชอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาอาชาปาลกุมังก็กล่าวว่าข้าพเจ้าจากเอาศีรษะทูลราชสมบัติอันเปรียบเหมือนก้อนเขละที่พี่ชายของข้าพเจ้าบ้วนทิ้งแล้วเที่ยวไปอยู่หาได้ไหมโอ้ยทำใจไม่ได้หรอกแบกก้อนน้ำลายที่พี่ชายก็ถมทิ้งไว้สามคนก็ถมกละทล้วทุยละทุยแต่แล้วก็แบกกันผมทาใจไม่ได้หรอกพ่อ พระราชาและปุโรหิตก็อ้อนวอนว่าอาชาปารกุมารเจ้านี่ยังหนุ่มนะอุ้ยลูกเอ้ยลูกเนี่ยเด็กที่สุดเลยนะลูกเป็นภาระที่เราทั้งสองจะต้องอุ้มชูลูกอย่าเพิ่งบวชนะเจ้ายังเด็กอยู่เลยบอก ง, งั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยบวชในเวลาถึงวัยอันสมควรก่อนอายุมากกว่านี้หน่อยอายุเท่าๆพี่ชายก่อนค่อยบวชก็ได้เจ้ายังเด็กเกินไปอาชาปาลกุมารลูกคนเล็กก็บอกว่าท่านทั้งสองพูดอะไร ธรรมดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมตายในเวลาที่เป็นเด็กกว่ามีในเวลาแก่กว่ามีไม่ใช่หรือแสดงว่าคนที่มีอัธยาศัยน้อมใ จ, จไปในเรื่องบวชนี่ยเจริญมรณ า, านุสติค่อนข้างบ่อยพิจารณาเห็นเรื่องความตายเนี่ยเป็นของที่อยู่ใกล้มากเมื่อความตายเป็นของที่อยู่ใกล้อะไรที่เป็นสาระเขาจะรีบสแสวงหาสิ่งนั้นใช่ไหมคล้ายๆกับคนจะเดินทางไกลไมันมีรถอีกสองชั่วโมงรถจะออก รู้ด้วยว่าตัวเองต้องเดินทางไปถามว่าจะทำยังไงดีแล้วรู้ด้วยไม่มีวันกลับมาอีกแล้วอะไรเป็นสาระที่สุดเป็นสเสบียงทางที่จะต้องเดินทางไปเขาจะรีบขวนขวายสแสวงหาอันนั้นอัน้นคนเราก็เหมือนกันใครที่คำานึงถึงว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตของเราเป็นไปแต่ละวันแต่ละวันก็จะเดินไปสู่ความตายแม่น้าที่ไหลลงจากภูเขามีแต่ไหลเรื่อยไปฉันใด ชีวิตของศาตร์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วก็มีแต่จะหลังไหลไปสู่ความตายอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้แต่เด็กไปยังตายเพราะว่าความตายนั้นไม่มีนิมิตเครื่องหมายที่มือหรือที่เท้าของใครเลยมีใครมาไม่มีลายมือบอกอีกสิบปีตายมีไหมถามบุคคลบอกท่งให้ดูลายมือบอกถูกหรือเปล่านึกว่าเอ๊ะกี่ปีจะไปเนี่ยแจะดูลายมือให้หน่อยว่าใกล้หรือ ย, ยังไม่มีบอกเลยเนาะ อ, อ่านไม่เจอเลยเนี่ยเอ๊ ะ, มะเมื่อไหร่ท่านจะตายเนี่ยยังมองไม่ออกเลย มันไม่มีนิมิตนี้ที่มือที่เท้าเลยใช่ไหมว่าผู้นี้จะตายในเวลาเป็นเด็กนะผู้นี้จะตายในเวลาแก่เท่าข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้ว่าเวลาตายของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะบวชในวันนี้แหละพอเอ้ยหมายา